ทิ่งทำให้คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านชราคำขาวอองมาไม่ค่อยได้อบรงสั่งสอนผ่านเอนเลี้ยวๆไหนๆเลียวๆแหลกๆไปนนี่เพียงเราไม่ค่อยได้มาเกี่ยวข้องช่วงไม่กี่เดือนน้ถ้าบอกภาษามนันสุขภาพเราไม่ค่อยหนุนหนยแล้วก็เป็นมาเรทั้งที่เห็น ไปเกี่ยวข้องขับหมวกประเพณนะีและบูพระนี้ดูพรน น, นนี้เหลวลงเรื่อลยไม่ว่าจะมาใหม่เก่าก็เหลวลงเร็วลงมองดูแล้วดูไม่ได้เลยยีดนี้ไม่เข้าข้างในเดี๋ยวนี้เป็นเพื่นบ้านผ้าออกนอกเหมือนบ้านนะพระอยู่ในวัดนี่ที่เคยอยู่แล้วก็ดี้ที่มาใหม่ก็รู้แล้วมันยังไง ก็เคยเห็นอยู่แล้วที่มาใหม่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนะี่ยน่าจะออกมาจากสำนักที่เคยอบรมมาด้วยดีถึงจะมีกิริยาหน้าดูบางที่สแสดงมาภายนอกแต่อยู่ภายในก็ไม่รู้แหลมหากหมดูดหากพูกดก็มากองไว้ในนั้นหมดนะอั้นมีทําให้คิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ตอนแต่สมัยพ่อแม่ของาจารย์ยังมีที่ดีเราก็รู้แล้ว เหนจาชัดประจั์ตาประจับใจอยูงแล้วแต่นั้นก็ยังดีอยู่ในช่วงที่เราอยู่นั้นเพราะเราควยกํำทับกาชาควายตั้งเดือดตั้งคาควายดุดาว่ากล่าวว่าเนนเสม่อยเสมอประการที่สอ ง, องกับพระเนนก็เกรงและกลัวผมอยู่ด้วยมาทะลึ่งผมไม่ได้ นั่นหละที่วัด่าท่านเอง่งก็พอดูอยู่แม้ควาแม่โอจาร์จังชนุดมากท่นานแม่ไปเกี่ยวของกับพระกำเองท่านเองก็ออยังน่าดูเพราะเราคอยเก็่อมดั่กดขันอยู่ตลอดเวลาอกห้อยอกจะแตกก็เราก็ทนลงกะบุญคุณของครูบาอาจารย์ต่าง บุกก้บุก็หมอมออกมาพ่อในก็ยิ่งมีมากยิ่งเลี้ยๆหลายๆมีหมายเส้งท่านไม่ได้กอบรมและไม่ได้อบรมเพราะท่านป่วยเพียบตรงไปลำล้ำเลยก็ครูบาอาจารย์ทัางหลายที่แกลงแก่ลงไม่ค่อยเกี่ยวความกับพราคำเนี่ยวราก็ดูเอารู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ แล้วเราก็เคยผ่านอย่างนี้มาแล้วด้วยก็สร้างเป็นดีมีกำลังจัไหลเข้ามาวัดป่าวันตากันนั่นในเรื่องทำนองนี้นะแล้วอกจะแตกแล้วมันหับไม่ไม่พูดนอกจากมันจำเป็นยี่งกินก็พูดคำว่ า, วาผมมองภาพมองภาพหมันเห็นเนอย่างนเนาะสายตาลักมากกวอย่างดี มองไปที่ไหนกันจะดูไม่ได้แล้วนั่นเวลานี้มันม า, ากยังไกันพวกเร า, ามามากากท็ทุกตีตุกตีแล้วเหลวลงเหลวลงเลวลงๆๆๆทุกขีตุกขียาเข้าใจว่ามาเชสาลงเพื่อคุณ ง, งามความดีจะมีเพิ่มเติมขึ้นในทางดีนะที่มันม า, มาเหยียบย่ําทําลายกันลงโดยลำตัวลำธารเราอยู่ที่นี่เห็นระยะเท่านี้แหละสั้ น, ะ น, นๆแ น, น, น, น, นี้ที่ผมนักเรีมาเกี่ยวกับ คิดเต็มหัวใจอกจะแตกแต่สุขภาพนั้นอํานวยก็จําเป็นต้องรวบรวมไปทางนั้นจะว่าไหทีนี้สุขภาพเราสุดมากเลยด้วยเอวก็บรูปหัวใจกับแพร้อมๆกันอีู่นั่นที่ทุกส่วนของร่างกายมันก็เลยสุดลงทรุดลงจะใหงเกี่ยวข้องกับพักกับเรียนมันยังจะค่อนอนที่เป็นมาแล้วสุขภาพดีนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ท่านนี้เราก็าทราบแล้วพระนิมเป็นยังไงเหลียวมันไหลทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวมึงอะไอผู้มาใหม่ก็โอ่งเก่งๆกังกงงนน้มาดูหน้าดูหลังหัวสูุนกันอยู่ตาครัวตามอะไรเหล่านี้เหมือนกันมองไปไหนดูไม่ได้ไนะเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้นี่การทนเอาจะทํำไงความบังคับความจําเป็นมันบังคับให้ทนอย่างนี้ แล้หมู่ควรก็มาเรื่อยๆมากระทบันเขาเลยท้าันเขาเลยหาดีจะให้ดื่มมันกินมันดิีมันดีมันจะไม่มีนะเดี๋ยวนี้นโหมีตามมีแท้มาสังเกตมาศึกษาอบรมเันแก่ทาไมมันจึงปาาจเป็นอย่างนั้นผู้อยู่เก่าก็เลวลงไปเลวลงไปนะเดี๋ยวนี้เลวลงไปนะอยากเข้าใจว่าผู้อยู่เก่าจะคงเส้นคงวาในทางที่ดีมันเลวลงเร็วลงนะเดี๋ยวนี้ เพียงเท่านี้แหละชั่วงรยะยะสั้นๆตรงนี้แหละที่เราไม่ได้มาเกี่ยวกับกบขั้วอะไรนั่งหาแต่ทั้งๆ ท, ที่อยู่ด้วยกันผ่านไปผ่านมาก็อยู่ด้วยกันนีเป็นโดยบางไม่ได้อบรมมัน ไ, ได้กี่ทุกบททุกบาททุกแงยทุก ม, มุมที่มันบกพร่องแล้วมันเสียหายแล้วมันก็เสริมจุดนี้ขึ้นมาเลยด้วยความดีมันไม่มันไม่ขึ้นแล้มีแต่ความไม่ดีนั่นแหละมันเดียบมันลงทำลายลงไปทำลายลงกรุบด้วนลงไป ห, หมู่เพืนได้เข้าใจนะตามีทุกคนหูมีทุกคนใจมีทุกคนผมก็มีตูวหูมีตาทําไมจึงรู้เรื่องของหมู่เพือนเป็ไหมู่เพืนทำไมไม่รู้เรื่องของหมู่เพืนซึ่งมาเช้าๆลงด้วยงันทางนั้นทําไมจังไม่รู้เรื่องเจ้าของตาหูจมูกริ้งกายจิตติดอยู่กับเจ้าของอาการความเคลื่อนไหวทุงอย่างติดอยกับเจ้าของแสดงออกกับเจ้าของทําไมไม่รู้อันนี้อยู่กัไกลๆมองไปทําไมมันรู้ฟังก็รู้ เราจะอะไรเป็นนักเป็นผลถ้ามันเป็นเรื่องภายนอกครับวัตถุสิ่งภายนอกอะมันเริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจส่ ง, สงออกนอกมากนะอะยาเข้าใจว่าหลักศาสนาอาเข้าใจว่าธรรมะจะเจริญเพราะสิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นสิ่งอาศัยช่วการช่วเวลาทั้งนั้นแต่จิตใจไม่ได้ปลูกพันธุ์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นเหมือนกับความสนใจในธรรมและการปฏิบัติของตัว อันนี้เป็นหลักใหญ่แล้วรับพระรับเงินไว้เพราะสิ่งแบบนี้น่ะเพราะอัดเพราะทำแบบนี้แล้วไม่รับไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นเพียงปีเกี้ยวยอดแต่มันทําลายได้เป็นเนื้อเป็นหนังนะมันจะเป็นประโยชน์กับเพียงทําแต่ว่าปัจจัยปัจจัยอาหารปัจจัยปัจจัยสีเนี่ยเรื่องอาสัยไปแต่เวลาทําลายทำลายได้จริงๆส่วนมากกิจใจมน ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเค ย, ยนิสัยล้ำดานมาไม่ ว, ว่าใขรเหมือนกันเลยลวมันติดกันได้ง่ายมันลงได้ง่ายทําลายของได้ง่ายแล้วจิตใจมันไหลลงได้ง่ายนะผลอสุนทรทำใสกับอะไรมันก็ไม่ไปดูแล้วมนไม่น่าดูแล้วไม่น่าดูไปตัวลุ่มดับล้ำดานนะ ยังเดินผ่ า, านนักธารทนั้นจะเห็นมัรู้เยอะไม่นานกันแล้วมาศึกษาอะไรกันผ่านเองนี่จึงทาให้คิดนะผมมาใหม่เลเป็นอย่างนีน้ผู้ดูเก่าแนละ้วมันเป็นยังไงนี่ดีมันทั้งพันอย่างนี้ยแล้วท่ไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีการติด ก, การฝนไม่มีการฝาร่าฝืนไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการจึงหวดถึงขันจนบ้าง หรือเป็นยังไงมันเลยเป็นปัญหาเป็นมาที่มีทั้งๆเป็นมาที่สาวลมเท่กว่เทศให้ฟังเปนพุงมันจะแตกแล้วทํามันมีอะไรธรรมะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทะลักออกมาจากหัวใจ น, นีสอนหมูพื้นนะมันจะไม่มีอะไรติดมันพังออกมาเลยเพราะมันมีอะไรเหลือในไปยในเท่จริงๆเทศสาวหมูพื้อนอบรมหมูพื้นนะหมูพื้นนั่นน่ากับความมนตาสงสาร ทุกอย่างลาบากก็ทนเอาบที่ทนมันก็จะเหลือทนตอนนั้นโอ้โหมันจะแตกแล้วนะอะไรที่สิ่งดีๆในโลกนี้สอนหมดแล้วนี่ยนีแต่ทำแล้วนะวิเศษในโลกนี้สิ่งตั้งหนที่กล่าวมาที่ตำหนิอยู่นี้มันวิเศษอะไรถ้าวิเศษจะตำหนิทำไม มันมีอยู่ทักงุกปหัวใจสัตว์หัวใจบุคคลอยู่แล้วมันที่เจ็บที่สูงอะไรต่างคนต่างมีถ้ามีเสื่อก็มักแข่งกันในโลกนี้มันกระเทือนไปด้วยความไม่เสียอสิแต่นี่โลกกระเทือนไปด้วยความพินาศชิบหายเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายนี่น่ะจึงได้สอน้เหมอเห็นผิดเห็นไปทั้งหมดนี้นจำเป็นมีความเกีย่ยงข้างคนอยู่กับสิ่งนีน้ที่จะต้องอาศัยมันก็ตอนน้องระมัดระวังให้รู้จับประมาณให้รู้จัก ร, รักษาตัว อันนี้จับความพอดีสอนแล้วสอนเ่าอยู่เสมอทำต่างหากที่จะทำคนให้วิเศษวิโสนะทำไมไม่มีความหนักแน่นในสิ่งที่ควรหนักแน่นแล้วเปนหนักแน่นอะไรก็สิ่งเร็วลไห ล, หลสิ่งทำลา ย, ยานันดูอะไรนี้มันไม่เฉลนตาเลยนะมองไปทิไหนขึ้นไป ถ้าดุดขึ้นมาอยู่ไม่อยๆแล้วมามากก็เรื่อยๆด้อยไหล่เข้ามาสายเข้ามาอัดเข้ามาแน่นเข้ามาไม่ทราบได้ผลประโยชน์อะไรเพราะการมาอยู่ที่นี่ด้วยการไม่นําพาไม่สนใจเจ้าของไม่สนใจเจ้าของมันได้ประโยชน์อะไร ทันทีจะอยากยัดตีทนพรจไทยทำอะไรให้ผมลำบากลงบนยู่ด้วยทั้งอยกยัดตีอะไรอีกทั้งอยักจะอยู่วัดนี้อีกเนี่ยเหลอนั่นสองทับสามทับเข้ามานั้นทั้งการับหมู่เพื่อนที่มาธรรมดาเรียบน้อยมาแล้วมาแล้วมันก็หนักพอแล้วทั้จะต้องมายัดตีและรับเขาอีก มันยัตติเรื่องมันรับข้อในตำรับอีกให้อบรมัางสอนอีกมันก็ไม่ตายแล้วเหรือผมนะ่ะทำไมไม่คิดต้งกานรับหมู่รับเพื่อนที่หลังไหลหลังไหลมาเนี่ยมันก็พอแล้วนะ่ะเหมือนจะต้องไปดุ้งเอออย่างนั้นเขาอีกจริยงยังรับปากรับคำไม่ได้หรอไปหาผมลันนั้น เพราะสิ่งเหล่า น, นี้ทําให้คิ ด, คดตอลอดเัรานั่ะทุกด้านทุกทางค่ะผมะเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของผมเท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรมีต้องคิดต้องอ่านต้องอะไรยุ่งไปหมดเพียงสตลับหมู่รบเพื่อนที่บว ม, มาเนี้ยเริ่มได้แล้วอยากให้การรวมเท่านั้นผมก็ยังไม่มีกําลังที่จะอรวมย้อนทวนต้จะให้แบกอะไรอีก พอปาิโมกเหรไมนี่ก็ เ, เร็วลงอยู่นะฟังแล้วไม่น่าฟังเลยเลยถ้ามีสวดมานั่งก็ดีมันเร็วลงทุกอย่างนะความที่จะสวดทําไมไม่ฝึกไม่ซ้อมตัวเองน้อยนี่เป็นสังฆมณนลเป็นสันนิบาตของสงฆ์ไม่ใช่สนิบาตของของเด็ก่นะมาทําเล่นๆมือนเด็๋ยนะ สวดามันถูกเนตามบทธรรมบตัตรดังที่เคยสวยดมานี่ยมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าเนะี่ยมันเร็วลงจะไม่ให้ว่านะ่ยก็ไม่ได้สอนเพื่อเร็วลงนี่สอนเพื่อให้ดีขึ้นนี่ยังสวดปัจโมกที่เคยสวยดอยู่แล้วมันยังเร็วลงได้เห็นไมเห็นไหมกับหยาบนีน้เห็นดีแล้วอยเหยียดจะเอาความดีมาจากไหนพรามละเอียดแค่เหยียดอยู่นั่นได้ยังไงนอกจ็กสิ่งน้อยนี้มันไปเหยียบให้มันเร็วลงไปด้วยกันะ คือการเทาเนื้อราวางกัติดจม